ปัจญานุโลม 2. สังขยาวาระสุทไนเจ็ดสาเหตุปัจจัยมีสิบเจดวาระอารมณปัจจัยมีเจ็ดวาระอธิปติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสมณันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสหาชาตะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิสยปัจจัยมีสิบเจดวาระ อุปาณิสยปัจจัยมีเจ็ดวาระปุเรชาติปัจจัยมีเจดวาระอาเสวะนปัจใจมีสี่วาระกรรมปัจจัยมีสิบเจดวาระวิปากปัจจัยมีเ้าวาระอาหาราปัจจัยมีสิบเจดวาระอินทรียปัจจัยมีสิบเจดวาระชานะปัจจัยมีสิบเจดวาระมัคคะปัจจัยมีสิบเจดวาระสัมำยุตตปัจจัยมีเจดวาระ วิปยุตต์ปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอธิปัจัยมีสิบเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจัยมีสิบเจ็ดวาระเฮตุทุกขไนเจ็ดสิอารามณะปัจใจกับเฮตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอธิปติปัจัจละถึงมีสิบเจ็ดวาระอวิคตะปัจัยมีสิบเจ็ดวาระ พึงนับเหมือนการนับในกุศละเถิด ก, กะอนุโลมจบสองปัจจยะปัจจนียะหนึ่งวิพังคราวาระนะเหตุปัจใจเจ็ดสห้าสภาวะธรรมที่เป็นวิบากทำสภาวะธรรมที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่และถึงทำขันหนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งเป็นวิบากมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิด pues ว mm ิบากทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่โมหะทีここ่สหรคตด้วยวิจิกิชฌาและที่สหรูปด้วยอุทจจะทำขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิชฌาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบาก และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่าเหตุปัจจัยได้แก่และถึงทำขันหนึ uh ่ง huh ที UND, ่เป็นอเหตุกะซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากสภาวะธรรมที่เป็นวิบากทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่จักผูกวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 ที่สหรฆด้วยวิจิกิจชาและที่สหรฆด้ยอุทจจะทำขันที่สหรฆด้วยวิจิกิจชาและที่สหรฆด้วยอุทจจะและทำอหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นนาอารมณปัจจัย77สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำสภาวธรรมที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนอารมณะปัจจัยย่อ พึงขยายทุกบทให้พิจารณาสองปัจจยปัจจนยะ 2. สองคงยาวาระสุทไนเจ็ดสิบปดณเหตุปัจัยมีสิบสองวาระณอารมณปัจัยมีห้าวาระณนะอธิปติปั จ, จัยมีสิบเจ็ดวาระณนะ อ, นะอนันตระปัจัจมีห้าวาระณสมณันตระปัจัยมีห้าวาระณอัญนญะมัญญปั จ, จัยมีห้าวาระนะ นอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยมีสิบสองวาระนปัจชาชาตะปัจจัยมีสิบเจดวาระนอาสวณปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนกรรมะปัจใจมีสี่วาระนวิปากปัจจใจมีเก้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจใจมีสี่วาระ ณมค้าปัจจัยมีเ้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระณเหตุทุกขไนเจ็ดสิเก้อารามณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจใจและถึงมีสิสองวาระณอนันตรปัจจัยมีสามวาระ ณสมณันตระปัจจัยมีสวาระณกรรมะปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยมีสี่วาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยมีสวาระณมัคคะปัจจัยมี9วาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสมวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระ โนวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึงนับเหมือนการนับปัจจนียะในกุศลติ ก, ะ ป, จจ ะ, กปะปัจจนียะจบสปัจจญานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขไนแปดสิบนาอารมณปัจใจกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจใจละถึงมีสิบเจ็ดวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ พึงนับเหมือนการนับอนุโลมปัจญจิยะในกุศลตะกะอนุโลมปัจญจิยะจบสปัจจญยปั จ, จนิยานุโลมนเหตุทุกขในแปดสิเอ็ดอารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอานันตระปัจจใจละถึงมีเจ็ดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสหาชาตะปัจจัยมีสิบสองวาระ อัญญมัญญะปัจใจมีเก้าวาระนิสยปัจจัยมีสิบสองวาระอุปานิสยปัจจัยมีเจดวาระปุเรชาตะปัจจัยมีเจดวาระอาเสวณปัจใจมีสี่วาระกรรมปัจจัยมีสิบสองวาระวิปากปัจจัยมีเ้าวาระอาหาราปัจจัยมีสิบสองวาระอินตรียะปัจจัยมีสิบสองวาระชานะปัจจัยมีสิบสองวาระ มัคคปัจจัยมีสามวาระสามปยุตตปัจจัยมีเจดวาระวิปยุตตะปัจจัยมีสิบสองวาระอธิปัจจัยมีสิบสองวาระณฐิปัจจัยมีเจดวาระวิคตะปัจจัยมีเจดวาระอวิคตะปัจจัยมีสิบสองวาระติกกะในสหชาตะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารมณปัจจัยมีสามวาระ อัญญมัญญะปัจจัและถึงมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึงนับเหมือนการนับปัจจิญานุโลมในกุศลติกะปัจจิญานุโลมจบปัจยะวาระจบ ปากติกะสนิสยวาระหนึ่งถึงสี่ปัจยะจตุกนัยแปดสิบสองสภาวธรรมที่เป็นวิบากอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอิงอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเหตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณนะเหตุปัจจัยมีสิบสองวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ นาอารามณปัจใจกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตะปัจใจและถึงมีสามวาระอารามณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจดวาระอวิคตะปัจใจและถึงมีสิบสองวาระนิจยวาระจบสวิปากติกะห้าสังสัทธวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระ เห hey, ตุปัจจัยแปสสภาวะธรรมที่เป็นวิบากเกิดรคนกับสภาวะธรรมที่เป็นวิบากเพราะเ hey, หตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกรกับขันหนึ่งที่เป็นวิบากย่อพึงขยายทุกบทให้พิสดารหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนแป84เ hey, หตุปัจจัยมีสามวาระ อารามณปัจจ no ัยม no no ีสามวาระอธิปต no ิป no well. ัจจัยมีสามวาระอานันตระปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปานิสยปัจจัยมีสามวาระปูเรชาตะปัจจัยมีสามวาระอาเสวัปัจจัยมีสองวาระ กรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาระปัจัยมีสามวาระอินทรียะปัจจัยมีสามวาระชาณะปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระนัธิปัจจัยมีสามวาระวิคะตปัจจัยมีสามวาระ อวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อพึ่งนับเหมือนการนับในกุศละตึกะอนุลมจบสองปัจจยะปัจจนิยะหนึ่งวิพังควาระแปดสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดรคนกับสภาวธรรมที่เป็นวิบากเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรคนกับขันหนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งเป็นวิบาก ขันสองเกิดรคกับขันสองพึงจำแนทุกบทสองปัจจยปัจจียสองสังคยาวาระ8ปหกนเหตุปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจจัยมีสามวาระน่ปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระนอาเสวณะปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจัจมีสองวาระ นาวิปากะปัจจัยมีสองวาระนาานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมคขะปัจัยมีสองวาระนวิปยุตตะปัจัยมีสามวาระพึงนับเหมือนการนับปัจนิยะในกุศลติกะปัจญิยะจบปัจญานุโลมปัจจนิยะแปดสิบเจนาอธิปติปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีสามวาระ นววิปยุตตปัจจยและถึงมีสามวาระพึงนับเหมือนการนับอนุโลมปัจจนญยาในกุศลติกะอนุโลม ป, จจ ป, จจปัจจนิยาจบสปัจยะปัจจนญยานุโลมแปดสิบแปดอารมณะปัจจัยกับนเหตตปัจจัยมีสามวาระมัคคะปั จ, จัยละถึงมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ พึงนับเหมือนการนับปัจ ني จยานุโลมในกุศลติกะปั จ, จน ي ยานุโลมจบสังสัถาวาระจบสวิปากติกะหกสัมปยุตตะวะหนึ่งถึงสี่ปั จ, จยจตุกไนแปดสิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นวิบากสัมปยุตกับสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ ขันสามสัมปยุสกับขันหนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึนจจ้นเหตุปัจจัยมีสามวาระนเหตุปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจใจกับเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยกับน่เหตุปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตะวาระจบ วิปากติกะเจปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปัจจัยเก้าสิสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ปเป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติตะขันโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติตะขันโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่กระตาตารูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบาก ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเหตุุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปญสตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปญสตขันธ์และกระตั้ตารูบโดยเหตุตุปปัจใจ91สภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเหตุปัจจัยได้แก่ เหตุที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจจคันโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเหตุตุปปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและที่ไม่เป็นวิบาก ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเหตุตกปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแส่สัมประโยชน์ตะขัน์และจิตตะสมุทานรูปโดยเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเหตุตปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมประโยชน์ตะขัน และจิตตสมุทานรูปโดยเหตุกปั จ, จัยอารมณปัจจัย92สสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งขันที่เป็นวิบากโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นราคาจึงเกิดขึนทิฏฐิจึงเกิดขึน วิจิกิจชาจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นโทมณ์จึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตุบาที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถารม์สภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอารมะณะปัจจัยได้แก่พระเสขาพิจารณาผลเห็นแจ้งขันธ์ที่เป็นวิบากโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ยินดีเพลิดเพลินเพราะปราลบความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นราคะจึงเกิดขึ้นโทมนะจึงเกิดขึ้นรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นวิบากด้วยเจโตปริยญาณขันที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณและอนาคตังัญญาณโดยอ ร, รมณะณปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบาก และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอารมณปัจจัยได้แก่พระอระหันต์พิจารณาผลเห็นแจ้งขันที่เป็นวิบากโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นวิบากด้วยเจโตปริยญาณขันท์ที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวะสานุสติญาณอนาคตังจายานและอวัชนะจิตโดยอารมณปั จ, จัย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 พิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้น <c oughs> เห็นแจ้งขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลิน <c oughs> เพราะปรารมความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นราคะจึงเกิดขึ้นโทมนะจึงเกิดขึ้นรู้จิตของบุคคลผู้มีความพร้อมพร้อมด้วยจิตที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากด้วยเจโตปริยญาณ อากาสาณัญจายตนะกุศลเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะกุศลโดยอารามณปัจจัยอากินจัญญายตนะกุศลเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะกุศลโดยอารามณปัจจัยขันธ์ที่เป็นเหตเุให้เกิดวิปากเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมโมปัคยา น, ยายานและอนาคตังสญาณโดยอารามณปัจจัย สภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นวิบากโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปราลบความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นราคะจึงเกิดขึ้นโทมนั้จึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับไปแล้วจิตุบาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถารม์ อากาสาเนจายตนะกุสลเป็นปัจจัยแก่วิญญาณันจายตนะวิบากโดยอารมณะปัจจัยอาคินญญยยตนะกุสลเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนาวิบากโดยอารามณปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอารมณะปัจจัยได้แก่พระอรหันต์ออกจากมากแล้วพิจารณามรรค พิจารณากูสลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นวิบากด้วยเจโตปริยญาณอากาสารัญจา ย, ยตนะกุศลเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจา ย, ยตนะกิริยาโดยอารมณปัจจัย อกินจัญญายัตนาคุศล์เป็นปัจจัยแก่เนวสัญญาณสัญญายัตนาคือรยาโดยอารมณปัจจัยขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถากรรมูปภะญาณอนาคตังจายานและอวชนะจิตโดยอารมณปัจจัย94สภาวธรรมที่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก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 ขันธ์ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ผุกฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากด้วยเจโตปริยญาณอากาสานเนจา ย, ยตนะกิริยาเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเนจา ย, ยตนะกิริยาโดยอารามณาปัจจัยอากินจัญญายตนะกิริยา เป็นปัจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนาคิริยาโดยอารามณปัจจัยขันธ์ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแกอิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนินวาสนานุสติญาณอนาคตังจายานและอวัชนะจิตโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยอารามณปัจจัย ได้แก่นิพพานเป็นปจัจจัยแก่ผลโดยอารมณปัจจัยพระเจคะหรือปุถุชนเห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นราคะจึงเกิดขึ้นโทมนะจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตตุบาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมเห็นแจ้งโสตคานะ ชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโภทพะหาทายวัตถุขันธ์ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นราคาจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตุบาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมณ์ รูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณโพธายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารมณะปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอารมณะปัจจัยได้แก่พระเสกขะพิจารณ า, านิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานและมรรคโดยอารมณปัจจัย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 ปฏิปไตย95สภาวธรรมาาา ท, ท, ที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่ Pool เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สมยุตตะขันโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาทิปติได้แก่ พระเจคะพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลเพลิงขันที่เป็นวิบากให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลเพลิงขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออรารมนาธิปฏิและสหชาตาธิปฏิ อารมนาธิปติได้แก่พระอรหันต์พิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวได้แก่สหชาตาธิปติได้แก่ อธิบดีธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแสบซ้ำประยุติขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปฏิปัจจัย96สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออา ร, รมานาธิปติและสหาชาตาธิปติอารมานาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ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 และที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปฏิได้แก่อธิบดีธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน์และจิตตาสมุทฐานรูปโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่าง คืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมนาทิปติได้แก่พระอรหันต์พิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสหชาตาธิปติได้แก่อัติปดีธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมพยุจตะขัน์และจิตตะสมุทานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นวิบาก อธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปติได้แก่นิพานเป็นปัจจัยแก่ผลโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจใจแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปติได้แก่พระเสขะพิจารณานิพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภู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 ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอนันตระปัจจัย97สภาวธรรมที่เป็นวิบาก เ, เ, เป็นปัจจัยแก่ er สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยปัญจวิญญาณเป็นปัจจัยแก่มโนท่าที่เป็นวิบากโดยอนันตระปัจจัย มโนธาที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาที่เป็นวิบากโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอนันตระปัจจัยได้แก่พระวังขจิตเป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตโดยอนันตระปัจจัยมโนธาตที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตที่เป็นกิริยาโดยอนันตระปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ข <ays> ันธ <co> ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคลทะผูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคลทะผูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอนันตระปัจจัย <mister ius> สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยอนันตรัตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่วุฒานะมักเป็นปัจจัยแก่ผลอนุลมของพระเสขะเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัตในวาสัญญานาสัญญายาตนะกุศลของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัตโดยอนันตรัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบาก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 ได้แจ่อาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่วิญญาณห้าโดยอนันตระปัจจัยขันธ์ที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่วุฒฐานะอนุลมของพระอรหันต์เป็นปัจจัยแก่พระสมาบัตเนวสัญญาณสัญญายตนาคิริยาของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัตโดยอนันตระปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอนันตระปัจจัยได้แก่อวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัย98สภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยสมนันตระปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตรปัจจัย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 โดยสหาชาตาปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่ยยเกิดวิบากมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญญาสัตว์พรมมหาภูตรูปหนึ่งละถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยสหาชาตปัจจัยได้แก่ ในปฏิชนทิฆณะหาทายวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากโดยสหชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ในปฏิสนทิฆณะขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากและหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปและถึงในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นวิบากและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่กตาตารูปโดยสหชาติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยสหชาตะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่สิตตสมุทฐานรูปโดยสหชาตะปัจจัยอัญญมัญญาปัจจัยหนึ่งร้อยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยอัญญมัญญาปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากละถึง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 ในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสามและหาทัยวัตถุโดยอัญญามัญญะปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอัญญามัญญะปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสามขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอัญญมัญญะปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สาขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยอัญญามัญญปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะหาทายวัตถุ เป็นปัจจัยแสขันที่เป็นวิบากสภาวะธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแส่สภาวะธรรมที่เป็นวิบากและถึงในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่เป็นวิบากและหาทายวัตถุมีเจ็ดวาระนิสยาปัจจัยร้อยหนึ่งสภาวะธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นวิบากโดยนิสยาปัจจัยมีสามวาระ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 สภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยนิสยปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่สหรูปด้วยจักรวิญญาณและจักขายาตนะขันหนึ่งที่สหรคปด้วยกายวิญญาณและกายญยตนะขันหนึ่งที่เป็นวิบากและหทายวัตถุเป็นปัจจัยแห่ขันสามในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่เป็นวิบากและหทายวัตถุ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 โดยนิสยปปจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นเหตุแหเกิดวิปากและหาทายวัตถุสภาวธรรมที่เป็นเหตุแห่เกิดวิปากและที่ไม่เป็นวิปากไม่เป็นเหตุแห้เกิดวิปากเป็นปัจจัยแล่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุแห่เกิดวิปากโดยนิสยปปจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นเหตุแห่เกิดวิบากและมหาภูตารูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปมีสิบสามวาระ